เจริญพรท่านผู้มีจเจตเมตากรุณาใจมุนใจผูส้สอนทุกทุกท่ทานวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2559เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาว่า เพื่อมาสร้างความสุขให้แก่ชีวิตให้มีเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าความสุขทางร่างกายนี่เราหามาได้เต็มที่แล้วคือถ้าเรามีปัจจัยสีมีที่อยู่อาศัยมีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมียารักษาโรคเราก็ได้ความสุข เต็มที่แล้วสำหรับทางร่างกายถ้าเราต้องการความสุขเพิ่มมากขึ้นไปกว่านี้เราก็ต้องมาสร้างความสุขทางใจกันอย่าเสียเวลากับการไปสร้างความสุขทางร่างกายเช่นเรามีบ้านอยู่ราคาละล้านหนึ่งแล้าเราไปเปลี่ยนเป็นบ้านราคาละสองล้านสามล้าน ความสุขที่ได้จากบ้านสามล้านกับหนึ่งล้านก็เท่ากันนะมันไม่ต่างกันต่างกันตรงที่เราไปคิดเองว่ามันสุขขึ้นแต่ความจริงมันก็ทำหน้าที่ดูแลป้องกันร่างกายให้มีที่หลบแดดหลบฝนหลบภัยต่างๆได้เหมือนกันดังนั้นแทนที่เราจะเอาเงินอีกสองล้านไปซื้อบ้าน เป็นสามล้านเอาเงินสองล้านนี้มาซื้อความสุขทางใจดีกว่ามาสร้างความสุขทางใจเพราะว่าความสุขทางร่างกายนี้ถ้าเป็นน้ำก็เต็มตุ่มแล้วเติมเข้าไปอีกเท่าไหร่ก็ล้นออกมาความสุขทางร่างกายนี้ขนาดที่จะบรรจุความสุขได้ก็ประมาณเท่ากับตุ่มน้าแต่ความสุขทางใจนี้ มีขยะขนาดใหญ่กว่าเติมความสุขได้มากกว่าเป็นขนาดสระน้าสระว่ายน้ากระตุงมน้ําอันไหนจะมีปริมาณมากกว่ากันถ้าเราความสุขทางร่างกายคือทางปัจจัยสี่เรามีครบแล้วพอแล้วก็ถือว่าความสุขทางร่างกายนี้เต็มแล้วถ้าจะเติมเข้าไปอีกก็ล้นไปเปล่า เช่นไปซื้อเสื้อผ้ามาเพิ่มอีกสักยีชุดมันก็ไม่ได้ทำให้ความสุขทางร่างกายมีมากไปกว่าเดิมไปซื้ออาหารราคาแพงๆมารับประทานมันก็ไม่ได้ทำให้ความสุขทางร่างกายมีเพิ่มมากกว่าเดิมมันก็มีเท่าขนาดของตุ่มน้ำใส่น้ำเข้าไปเท่าไหร่ถ้ามันเต็มแล้วมันก็จะล้นออกมา มันจะไม่มีปริมาณมากขึ้นถ้าอยากจะมีปริมาณมากขึ้นเราต้องเอาน้าไปใส่ในสระน้ำสระน้ำของโมเราตอนนี้มันแห้งเพราะเราไม่รู้ว่านี่คือที่เก็บความสุขที่สร้างความสุขให้กับเราถ้าเราไม่ได้มาวัดไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมเราจะหลงไปกับการซื้อความสุขทางร่างกาย เราซื้อมาได้เท่าไรก็ไม่รู้สึกว่ามีความสุขเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างใดความทุกข์ก็ไม่มีน้อยลงไปอย่างใดความทุกข์กลับจะมีเพิ่มมากขึ้นไปเสียอีกเพราะจะต้องดิ้นรนหาเงินมาซื้อสิ่งต่างๆเพื่อให้ความสุขทางร่างกายเพราะเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมถ้าฟังเทศฟังธรรมพระพุทธเจ้าบอกว่า ถ้าเราต้องการความสุขเพิ่มมากขึ้นเราต้องเอาไปใส่ในสระน้ำคือเอาไปใส่ในใจของเราตอนนี้ใจของเราไม่ค่อยมีความสุขกันเพราะเราไม่ได้เอาน้ำคือเอาความสุขใจใส่เข้าไปนั่นเองวิธีที่จะใส่ความสุขใจก็ต้องเกิดจากการคิดดีพูดดีทาดีถ้าเราคิดดีพูดดีทำดี เราจะมีความสุขใจและเราต้องไม่ต้องไม่คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเพราะการคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีจะทำให้ความสุขใจหายไปแล้วจะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือวิธีสร้างความสุขเพิ่มจากความสุขทางร่างกายต้องเพิ่มด้วยการคิดดีพูดดีทำดี การที่เราจะคิดดีพูดดีทำดีได้เราก็ต้องมีพรหมวิหารสี่มีคุณธรรมสี่ประการที่จะทำให้เราคิดดีพูดดีทำดีแล้วจะทำให้เรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปคิดดีพูดดีทำดีด้วยพรหมวิหารสี่คือหนึ่งคิดด้วยความเมตตาสองคิดด้วยความกรุณา 3. คิดด้วยความมุนิตาและ 4. คิดด้วยความโอเบขานี่คือคุณธรรมสี่ประการถ้าเรามีอยู่ในใจแล้วใจเราจะคิดดีพูดดีทาดีเมื่อเราคิดดีพูดดีทำดีใจก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นเราควรที่จะมาเสริมคุณธรรมความดีกัน คิดดีพูดดีทำดีด้วยความเมตตาความเมตตาคืออะไรก็คือความปรารถนาดีต่อผู้อื่นความไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นถึงแม้ว่าผู้อื่นจะคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายเราเราจะไม่ตอบโต้เราจะให้อภัยเพราะถ้าเราไปตอบโต้มันจะทำให้ใจเราร้อนขึ้นมาทุกข์ขึ้นมา เวลาใครพูดร้ายคิดร้ายทาร้ายเราเราจะเสียใจเราจะโกรธความโกรธความเสียใจนี้จะทำให้ใจเราร้อนแล้วจะทำให้เกิดการอาฆาตพยาบาทคิดจองเวนจองกรรมแล้วก็ถ้าไปทำร้ายเขาใจของเราก็ยิ่งทุกข์ขึ้นไปอีกวิธีที่จะทำให้เรามีความสุขเราต้อง แผ่เมตตาสัพเพสัตตาอเวราโหตุเนีเวลาใครก็คิดร้ายพูดร้ายทําร้ายเราเราต้องเอาหสิต้องให้อภัยอย่าไปโกรธแค้นโกรธเคืองอย่าไปฆ่ า, าพยาบาลพอเราให้อภัยได้แล้วใจของเราก็จะกลับมาเย็นกลับมาสบายเป็นสุขไม่ต้องไปทําบา ถ้าเราให้อภัยไม่ได้เราจะคิดจองเวรจองกรรมแล้วเราจะไปทําร้ายเขาเมื่อทําร้ายแล้วเราก็จะทําบาปทําบาปแล้วใจก็จะร้อนเป็นไฟนรกขึ้นมาดังนั้นเราต้องรู้จักแผ่เมตตาการแผ่เมตตาไม่ใช่แผ่ตอนที่เรานั่งสวดมนตคนเดียวอยู่ในโบสถ์หรืออยู่ในห้องพระนี่ไม่ได้เรียวกว่าเป็นการแผ่ เรียกว่าเป็นการเตือนใจสอนใจว่าเราต้องแผ่เมตตาเวลาที่เราสวดสเพสตาอเวราหนตุสเพสตาอัปยาปชาหงตุอันนี้เป็นการสอนเราให้รู้ว่าเราต้องอเวลาหนตุคือไม่จองเวนอัปยาปชาหงตุไม่เบียดเบียนกันอันนี้คาหงตุ ไม่ทำร้ายทางร่างกายและทางจิตใจสุ ข, ขีอัตานาปริหารันตุขอให้เขามีความสุขความสุขกันมากๆนี่คือเวลาเราสวดแผ่เมตตาตอนนั้นยังไม่มีผู้รับเราอยู่คนเดียวไม่มีใครมารอรับความเมตตาของเราเวลาที่เราจะแผ่จริงๆต้องแผ่ตอนที่เราพบปะกับคนนั้นคนนี้ แล้วเราก็แผ่เพราะเขาเพราะตอนนั้นมีคนรอรับความเมตตาจากเราเจอใครเอาขนมมาแจากนี่ก็เรียกว่าแผ่เมตตามาวัดเอาอาหารกับข้าวกับปลาของขาวของหวานมาถวายพระนี่ก็เรียกการแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่มีคนรับความเมตตาของเราไม่ใช่ไปนั่งสวดคนเดียวแล้วก็แผ่ โดยที่คนรับเขาไม่รู้ว่าเรากำลังแผ่ให้กับเขาเราต้องมีคนรับเวลาใครด่าเราเราก็แผ่เมตตาไปว่าไม่เป็นไรอาโหสิเธออยากจะด่าก็ด่าไปเราห้ามเธอไม่ได้ปากของเธอแต่เราจะห้ามใจของเราไม่ให้โกรธเพราะโกรธแล้วใจเราทุกขใจเราร้อนถ้าเราให้อภัยแล้วใจเราเย็นใจเราสบาย ไม่ต้องไปทำร้ายกันไม่ต้องไปทำนายกันไม่ต้องไปมีเวมีกรรมกันนี่คือวิธีที่จะทำให้เรามีความสุขอั น, นิสงของการแผ่เมตตานี้ก็มีหลายประการด้วยกันคือตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขเวลานอนหลับก็จะไม่ฝันร้ายแล้วจะไม่ถูกเขาฆ่าด้วยอาวุธยาพิษหรือ ของแหลมคมต่างๆเพราะว่าเราไม่ได้ไปทำให้ใครเขาโกรธเกลียดเราคนที่แผลเมตตานี้มีแต่สร้างมิตรภาพไม่ได้สร้างศัตรูเมื่อไม่มีศัตรูก็จะไม่มีศัตรูที่จะมาปองร้ายเราเราก็จะไม่ตายด้วยอาวุธต่างๆไม่ตายด้วยปืนไม่ตายด้วยมีดไม่ตายด้วยสารพิษต่างๆแล้วถ้าเราตายไป เราก็จะไปสู่สุคติไม่ไปเกิดในอบายอย่างแน่นอนนี่คืออานิสงส์ของการมีความเมตตาแล้วก็จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายไปไหนจะไม่มนุษย์เทวดาคอยคุ้มครองเราคอยดูแลช่วยเหลือเราคนที่มีความเมตตานี้ไม่มีใครโกรธไม่มีใครเกลียดมีแต่คนรักคนชอบถ้าเห็นเขา เดือดร้อนก็จะมีคนมาช่วยเหลือทันทีนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการมีความเมตตาจะทำให้เรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นแทนที่จะเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆที่ไม่จำเป็นเช่นซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าซื้ออะไรที่เรามีอยู่แล้วซื้อไปก็เท่านั้นดีใจเดี๋ยวๆ แล้วเดี๋ยวก็อยากจะซื้อใหม่อีกพออยากจะซื้อใหม่อีกก็ไม่สบายใจแล้วแต่ถ้าเอาเงินที่ไปซื้อของเหล่านี้ไปให้คนอื่นหรือถ้าอยากจะซื้อก็ได้ซื้อแล้วเอาไปให้คนอื่นอย่าให้อย่าเก็บไว้ใช้เองถ้าเห็นเสื้อผ้าชุดนี้สวยซื้อมาเลยซื้อมาแล้วเอาไปให้เพื่อนรับรองได้ว่าเพื่อนเขาจะรักเรามากซื้อกระเป๋ามาเอาไปให้เพื่อน ซื้อลำเท้ามาเอาไปให้เพื่อนถ้าให้ศัตรูได้ยิ่งดีใหญ่ต่อไปจะไม่มีศัตรูถ้าใครเขาเกลียดเราโกรธเรานี่ซื้อของไปให้เขาเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็หายโกรธเองนี่คือวิธีสร้างมิตรภาพนี่คือความแผ่เมตตาดีกว่าซื้อมาให้กับเราแล้วก็มาใช้หนสองหนแล้วก็เก็บไว้ในตู้ไม่ได้ใช้อีกแล้วพอเห็นของใหม่อยากจะได้ของใหม่อีกแล้ว ก็ซื้อมาเรื่อยๆจนของล้นบ้านล้นตู้แล้วก็ไม่มีความสุขอะไรซื้อเอาของที่เราอยากได้เราเห็นว่าสวยว่าดีซื้อไปเลยซื้อแล้วก็เอาไปให้คนนั้นคนนี้ให้คนที่เขาไม่มีให้คนที่เขาขาดแคลนให้เขาแล้วเขาจะรักเราชอบเราเขาจะดูแลรักษาเราเวลาเราเดือดร้อนเขาจะมาช่วยเหลือเรา เพราะเราได้ทำความดีไว้กับเขาเหมือนกับเราเวลาที่เรามีอะไรเราอยากจะให้ใครเราจะคิดถึงใครก่อนคิดถึงคนที่เขาดีกับเราหรือคิดถึงคนที่เขาไม่ดีกับเราเราต้องคิดถึงคนที่เขาดีกับเราเสมอเพราะเราอยากจะทดแทนบุญคุณอยากจะตอบแทนน้ำใจที่ดีงามของเขาเวลาเรามีอะไรที่จะให้ใครได้คนที่เราจะคิดถึงก่อนก็คือ คนที่เรารักคนที่เราชอบนี่คืออนิสงค์ของการมีความเมตตาจะมีมิตรภาพมีมิตรเยอะจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเทวดาคุ้มครองตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นี่คืออนิสงค์ของการมีความเมตตาและปัจจุบันเราก็จะมีความสุขใจอิ่งใจ เมือนตอนที่ญาติโยนมาแผ่เมตตาที่วัดเอากับข้าวกับปลาของข้าวของหวานเครื่องใช้ไม่สอยมาถวายพระถวายไปแล้วเราก็มีความสุขใจมีความอิ่มเอิบใจแล้วเรายัางสามารถแผ่เมตตานี้ให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วด้วย<ม>เช่นบิดามารดาปู้ย่าตายายที่ล่วงรับไปแล้วเราก็สามารถอุทิศบุญที่เรามาทําในวันนี้ อุทิศความสุขที่เราได้ในวันนี้ไปให้เขาด้วยถ้าเขารอรับอยู่เขาก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นนี่คือคุณธรรมที่เราควรที่จะเจริญกันอย่าไปคิดว่าการแผ่เมตตาก็คือเวลาที่เราสวดสัพเพสัตตาตอนนั้นยังไม่ได้แผ่ตอนนั้นเป็นเพียงแต่สอนใจเตือนใจว่า เราต้องแผ่เมตตาเราต้องไม่มีเวณกับใครเราต้องไม่เบียดเบียนใครเราต้องไม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจของใครเราต้องมีความปรารถนาให้เขามีความสุขเพียงอย่างเดียวนี่คือคุณธรรมข้อที่หนึ่งคือความเมตตาข้อที่สองก็คือความการุณาความการุณาก็หมายความว่าเวลาเห็นใครเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อน เราต้องช่วยเหลือเขาเช่นเวลามีน้ําท่วมมีไฟไหม้เรามักจะมีการาบริจาคข้าวของเงินทองต่างๆส่งไปช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเพราะเราต้องคิดว่าเขากับเราก็เป็นเหมือนพี่เหมือนน้องกันเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเราช่วยเขาวันหน้าถ้าเราเดือดร้อนเขาก็จะมาช่วยเรา เราอยู่ในโลกนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวเราอยู่ร่วมกันเราต้องพึ่งพาอาศัยกันเวลาเขาเดือดร้อนเราก็ช่วยเหลือเขาเวลาเขาเวลาเราเดือดร้อนเขาก็จะมาช่วยเหลือเรานี่คือความกรุณาเห็นใครเดือดร้อนช่วยไปแล้วจะทําให้เรามีความสุขใจถ้าเราไม่ช่วยเราจะรู้สึก ไม่สบายใจว่าทำไมเราจึงเป็นคนใจจืดใจดำเพราะบางทีความอยากของเราอยากจะซื้อของต่างๆให้เราใช้เอง mm. เราก็เลยเสียดาย mm. เงินไม่อยากจะเอาไปช่วยเหลือคนอื่นแต่ถ้าเรามีความเมตตาเราจะไม่ใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยเราจะมีเงินเหลือไว้สำหรับสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ อันนี้ก็เป็นวิธีสร้างมิจภาพขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งแล้วก็จะทำให้เรามีความสุขใจข้อที่สมก็ให้เรามีมุติตามุติตาก็คือให้เรามีความยินดีกับความสุขของผู้อื่น mm hmm. เช่นตอนนี้มีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะเวลาทีมเราแพ้ทีมเขาชนะเราต้องแสดงมุติตาจิต แสดงความยินดีกับทีมของเขาอย่าไปเสียใจความเสียใจไม่ได้ทำให้เราเกิดความสุขขึ้นมาแต่ความยินดีในความชัยชนะของผู้อื่นจะทำให้เรามีความสุขใจไปกับเขาด้วยการเล่นกีฬานี่ก็เป็นการหัดสร้างมุดิตาจิตขึ้นมานี่เองเพราะว่าเราอยู่ในโลกนี้ เราจะต้องมีการแข่งขันกันถ้าเรามีมุติตาจิตการแข่งขันก็จะเป็นการแข่งขันแบบมิตรภาพจะไม่มีการจองเวรจองกรรมทำร้ายกันแต่ถ้าเราไม่มีมุติตาจิตนี้การแข่งขันกันจะกลายเป็นการเป็นสงครามกันขึ้นมาได้เพราะเราจะไม่ยอมแพ้จะไม่อยากแพ้เราจะอยากจะชนะเพียงอย่างเดียว เขาก็เช่นกันเขาก็อยากจะชนะเขาไม่อยากแพ้เมื่อต่างฝ่ายไม่ยอมกันเดี๋ยวก็ต้องเกิดสงครามกันขึ้นมาเกิดการตีกันขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้จักแพ้รู้จักยินดีกับชายชนะของผู้อื่นถ้าเขาชนะก็แสดงความยินดีไปกับเขาเขาก็มีความสุขเราก็มีความสุขสงครามก็ไม่เกิดขึ้นนี่คือ เรื่องของมูดิตาเราต้องหัดแผ่มูดิตาเวลาที่คนอื่นเขาได้ดิบได้ดีโดยเฉพาะเวลาที่เขาได้ดิบได้ดีจากความทุกข์ของเราเช่นเขาได้แฟนของเราไปอย่างนี้อย่าไปเสียใจให้คิดว่าดีแล้วเขาไม่ได้เป็นของเราถ้าเป็นของเราเขาก็ต้องอยู่กับเรา ถ้าเขาจะไปอยู่กับคนอื่นก็ถือว่าเขาไม่ได้เป็นของเราก็แสดงความยินดีให้กับแฟนใหม่ของเขาไปถ้าเราแสดงความยินดีเราก็จะไม่เสียใจเราก็มองว่าดีเราจะได้มีแฟนใหม่ได้ถ้าเรามีแฟนเก่าเราจะไปมีแฟนใหม่ก็มีไม่ได้ดังนั้นถ้าเขาอยากจะมีแฟนใหม่ก็ให้เขาไปเราจะได้มีแฟนใหม่ได้ เรามองโลกในง่บวกเดี๋ยวไปมองโลกในแง่ลบทุกสิ่งทุกอย่างทุกเหตุการณ์มีทั้งลบมีทั้งบวกอยู่ที่ว่าเราจะเห็นมุมบวกหรือไม่เราชอบไปมองมุมลบกันพอเสียอะไรไปก็เสียใจแทนที่จะคิดว่าดีแล้วเสียของเก่าไปจะได้ของใหม่มาเช่นขโมยขึ้นบ้านมาขโมยทีวีขโมยข้าวของไป ก็ควรจะดีใจเออได้ทำบุญมีคนมาถึงบ้านมาขอบุญเราจะได้ไปซื้อของใหม่มาใช้ได้เมื่อก่อนก็ใช้ของเก่าเพราะเสียดายเงินยังเห็นว่าของเก่าใช้ได้ดีอยู่แต่ตอนนี้ของเก่าถูกเขาขโมยไปแล้วเราก็ต้องไปซื้อของใหม่มาแทนที่เราจะเสียใจเรากลับมีความสุขใจเพราะเรารู้จักมองโลกในแง่ดีอย่าไปมองโลกในแง่ร้าย เวลาใครเขาชนะเรานี้เราต้องบอกว่าดีทำให้เขามีความสุขเมื่อเขามีความสุขแล้วเขาจะไม่มามีปัญหากับเราถ้าเขาแพ้นี่แหละน่ากลัวเพราะบางทีเขาก็ไม่ยอมแพ้แล้วเขาก็จะมาหาเรื่องกับเราได้<ม>นี่คือการมีมุทิตาจิตมีความยินดีกับความสุขของผู้อื่น มีความยินดีกับชัยชนะของผู้อื่นแล้วเราจะอยู่ในโลกนี้ได้ด้วยสันติสุขจะไม่มีสงครามจะไม่มีการทะเลาะวิวาทกันไม่ต้องขึ้นรงขึ้นศาลให้เหนื่อยเสียไปให้คิดว่าสักวันหนึ่งตายไปเราก็เอาอะไรไปไม่ได้แต่เราเอาความสุขใจที่เกิดจากมุนิตาจิตนี้ไปได้แล้วเราก็จะไปสวรรค์ไปสุขคติ ถ้าเราไม่มีบุติตาเราก็จะเกลียดโกรธอาฆาตพยาบาทแล้วเราก็จะไปอาบายเวลาที่เราตายไป <Yeah. S 1> แล้วข้อที่สี่คืออุเบกขาอุเบกขาให้เราใช้ในกรณีที่เราแผ่เมตตาไม่ได้ช่วยเหลือเขาไม่ได้แสดงมุติตาจิตไม่ได้เราก็ทาใจเฉยๆ <Yeah. S 1> อย่าไปแสดงอาการอะไรทั้งสิ้น อย่าไปรับอย่าไปชังทำใจเฉยเฉยคิดว่าเป็นบุญเรื่องของบุญของกรรมไปเขาทำดีเขาก็ได้ดีเขาทำไม่ดีเขาก็ได้ไม่ดีบางทีคนที่เรารักเขาไปพบกับขอบ้อกรรมต่างๆเราก็อยากจะช่วยเหลือเขาแต่เราก็ไม่สามารถที่จะช่วยเขาได้เช่นเวลาเขาไปติดคุกติดตารางอย่างนี้ จะไปเอาเขาออกมาจากคุกก็ไม่ได้เราก็ต้องทำใจว่ามันเป็นกรรมของเขาเช่นเวลาลูกไปเสพยาเสพติดไปลักขโมยแล้วถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไปติดคุกติดตารางเราจะมาเสีย อ, อกเสียใจมันก็ไม่ได้ทำให้เราได้อะไรกลับคืนมาเขาก็ยังต้องติดคุกติดตารางอยู่เราจะสร้างความทุกข์ให้กับเราโดยใช่เหตุ แต่ถ้าเรามีอุเบกขาเรารู้จักโปร่งว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นลูกเราไปทำไม่ดีไปเสพยาไปลักทรัพย์พอตำรวจเขาก็จะไปขังคุกขังตารางอันนี้ก็ถือว่าเป็นกรรมของลูกหน้าที่ของเราก็มีหน้าที่สั่งสอน อ้ปล่าแต่ถ้าเขาไม่เชื่อฟังเราก็ทำอะไรไม่ได้เรามาเครียดมาทุกข์กับเขาก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเราก็ต้องรู้จักทำใจรู้จักเจริญอุเบกขาวิธีที่จะทำใจให้เรามีอุเบกขาเราก็คือต้องมีสติต้องมีพุทโธพุทโธเวลาใจคิดเป็นเรื่องที่ไม่ดีก็ใช้พุทโธพุทโธหยุด พอหยุดความคิดถึงเรื่องไม่ดีได้ใจก็จะหายจากความไม่สบายใจใจก็จะรู้สึกเฉยเฉยไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับเรื่องราวต่างๆได้ไม่ต้องไปทำอะไรให้เสียหายได้นี่คือคุณธรรมสีประการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาสร้างกันมาสร้างเมตตากรุณาโมฎิตาอุเบกขา พราะถ้าเรามีแล้วเราจะคิดดีพูดดีทำดีพอเราคิดดีพูดดีทำดีเราก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือวิธีเสริมสร้างความสุขเพิ่มจากความสุขที่เรามีอยู่แล้วด้วยการมาคิดดีพูดดีทำดีด้วยการเจริญเมตตากรุณาบุทิตาอุเมขาแล้วเราจะมีความสุข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 โดยทั่วหน้ากันเธอ